พระ อ, องค์หลับนิดเดียวแต่ว่าพระ อ, องค์ก็มีความสุขอย่างอื่นนะแต่ว่าเสียสละความสุขที่ที่ควรจะได้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนายศาสทั้งหลายคิดดูว่ า, าจะต้องใช้เวลาเทศศักดิเพียงใดเนี่ยนะจึงจะได้พระไตรปิฎกเท่านี้แล้วเทศก็ไม่ได้นั่งพูดอยู่ที่เดียวเนี่ยนะจาริกไปเนี่ยข้ามนาม้ําข้ามเข า, ข, าข้ามทะเลขึ้นไปทุกขนทุกแห่งเพื่อจะไปสงเคราะห์เขาอะ่ะ มันก็อันนั้นก็เป็นพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าทั้นถ้าใครรู้คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามไม่มีรอกขอให้รู้คุณแต่ศาสตร์ทั้งหลายที่เป็นปัญหาไม่ยอมปฏิบัติตามคําสอนก็เนื่องจากไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ช่วยเราตรงไหนช่วยอะไรทําไมต้องช่วยและเรามีปัญหาอะไรเนี่ยนะก็บางคนก็บอกว่าคุณทําไมเข้าวัดคุณมีปัญหาอะไรหรือเขาวางั้น ก็มีสิงเงี่ยปัญหาคือชาติชรามรณะเนี่ยนะคือต้องต้องสํานึกไว้อย่างนี้เนี่ยศึกษาคําสอนจึงจะได้ประโยชน์นี่มาดูรัตนะที่สองที่พระเจ้าพิมพ์พิสารชมเชยยกย่องให้พระเจ้าปุกุตสาติฟังว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว น, นะสวากาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกะริโกเอหิปสิโกเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าบทสุดท้ายเนี่ยปัจจตังเวทิตาโพวินโยห์ ถ้าทำของพระพุทธเจ้านะวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนวินยูชนรู้ได้วินยูชนนี่มี3ประเภทใช่ไหมหอุคติตันยูนี่ก็ตรัสรู้ได้ 2. วิปัญจิตันยุก็ตรัสรู้ได้ 3. ในยะบุคคลก็ตรัสรู้ได้ของเราทั้งหลายฟังแล้วไม่บรรลุสักทีหนึ่งก็จะเหลือสองอย่างเนี่ยถ้าบรรลุชาตินี้ก็เป็นนยยไม่บรรลุก็ปะทะปรมะ แต่ก็ถึงเป็นปธา ป, ปรารมะชาติหน้ากเาบรรลุเร็วกว่าเพื่อนนะ่พะพ่อเรียนไว้เยอะแล้วเนี่ยนะสอบไม่ติดปีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเราจะได้ที่หนึ่งในห้องอย่างง้นนะก็เอาเอาตรงนั้นเกณฑ์นะนะพระธรรมทั้งมวลที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอะไรบ้างก็คือโพธิปักจะธรรม37ประการ นะก็แสดงโดยย่อสติประทาน4ี่สัมมาประธาน4อิทิบาสีอินรี่ห้าพระหา้ะหาโพชฌง7อริย ม, มัตมีองค์8สติประทานก็พิจรารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเป็นต้นนนะก็แสดงว่าโพธิปักจิยธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่อยู่ในธรรมะที่ฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้นะเพราะว่าผู้ที่เจริญ อสรธรรมใน37ประการเนี่ยก็อยู่ในฝักฝ่ายแห่งอริยมรรคก็ถ้าเจริญตามนี้ไม่นานสักเท่าไหร่อริยมรรคคงจะเกิดเป็นแน่ตั้ง37เลยนะวันหนึ่งเราน่าจะได้สัก 2- อสข้อก็ยังดีใช่ไหมนะสติประธาน4ี่สัมมาประธาน4อิทธิบาท4เนี่ยที่พระผู้มีพระภาคจำแนกซึ่งพระธรรมเหล่านี้ก็นำออกจากทุกจริงๆเน่ะที่ที่ใครปฏิบัติเพราะว่าธรรมเหล่านี้เป็นยานญานะเนี่ยนะ ยานพาหนะเนี่ยเป็นพาหนะที่จะนําออกจากวัตทุกข์พระธรรมทั้งหมดเหล่านี้เป็นพระธรรมที่พระศาสดาแสดงแล้วเห็นปานนี้เห็นปาน น, ปานี้แล้วก็ mm hmm. ลิขิตถึงพระธรรมคุณโดยย่อเอกเทศนี่แปลว่าบางส่วนว่ายํมพุทธเศธโถปริวันณีสุจิงนอนันตริกันยามาหุสมาธินาเตนะสโมโณวิชติธรมปิธรมเมรตนาตนีตังเนี่ยนะ ยำพุทธเศโธก็คือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด น, นะนะพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วสมาธิมานันติกัญญมาหุ น, นะสมาธิใดที่เป็นธรรมะอันสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิใดให้ผลไม่มีลําดับหมายคือว่าไม่มีอะไรขั้นนะนะคือให้ผลในลําดับเลยคําว่าสมาธิตรงนี้หมายถึงมัคคสมาธินะถ้าอริยมัคคสสมาธิเกิดแล้ว อริยผลสมาธิต้องเกิดแน่นอนถ้าพูดผลอย่างเดียวเนี่ยถ้าพูดสมาธิเนี่ยนะมักต้องมีองแปดใช่ไหมถ้าพูดข้อ8ดแล้วข้อที่1ถ้าพูดหรือยังพูดแล้วนะก็พูดแต่ข้อ8ดนนะก็คือหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เท่ากับแสดงแล้วอันสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นก็คือมัคคสมาธินนะสมาธิในอริยมรตมีโสดาปติมรตเป็นต้น อันในบรรดาสมาธิเนี่ยนะสมาธิใดที่จะเสมอด้วยสมาธิอันนี้ย่อมไม่มีสมาธินี้ประเสริฐที่สุดเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะไม่ได้เศษเซี่ยวของโสดาปฏิโสดาปฏิมักเลยเนะีเนวะสัญญาณาสัญญายตนะเนี่ยถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยไม่ได้เท่าสเกตหรือกับพี่ของโสดาโสดาปฏิมักสมาธิเลยโสดาปฏิมักสมาธิเนี่ยนะแบ่งออกเป็นฐานสิบหก แล้วเอาหนึ่งในนั้นอนะ่ะมาหารอีกสิบหกเนวะสัญญานาสัญญายตนะยังไม่ได้เซี่ยวหนึ่งที่ว่าเลยพอเนื่องออกนะวิธีคำนวณโซดาปฏิมักสมาธิเนี่ยนะหารสิบหกใช่ไหมหารสิบหกแล้วก็เอาหนึ่งในเนี้ยเอาหนึ่งในสิบหกเนี่ยมาตั้งแล้วก็หารอีกสิบหกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหนึ่งอันเนี้ยที่ที่มาเนี่ยเนวะสัญญานาสัญญายตนะยังไม่ได้เศษเสี่ยวเลย อันสมาธิอันนี้ถือว่าเป็นสมาธิที่เยี่ยมประเสริฐสูงสุดสูงสุดกว่าเนวสัญญาสนีนะสกทาคามีมักดีกว่านีกอานาคามีมักก็ดีกว่านี่อารหัตมักสมาธิก็เยี่ยมกว่านี้อันสมาธิทั้งในโสดาปฏิมักสกทาคามีมักอานาคามีมักอรหัตมักเนี่ยเป็นสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นไม่มีสมาธิใดที่จะประเสริฐเท่านี้อีกแล้ว เพราะฉะนั้นด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีนะทุกคนมีความสุขกันนะว่ากันอันนี้เรียกว่าชมเชยพระธรรมรัตนะในบรรดาธรรมรัตนะทั้งหมดเหล่านี้ข้านี่จะชอบคำว่านิยานิกธรรมเนี่ยนะที่เรียกว่าธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพราะว่าอย่างสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นเนี่ยเป็นสมาธิเป็นธรรมะที่นาออกจากวัตุทุกเนี่ยนะโซดาปฏิมักนาออกจากอบายอย่างนี้ นำออกจากปฏิสนที่ที่เป็นมนุษย์ในภพที่8เนี่ยพันโสดาปฏิมักจึงดีเยี่ยมประเสริฐมากเลยนะนำออกจากทุกมาดูคุณของพระสงค์ว่าต่อแต่นั้นเมื่อจะทรงชมเชยพระรัตนสังครัตตนาที่3ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตีแล้ว คำว่าปฏิบัติดีนี่ปฏิบัติอย่างไรก็คือปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาอยู่ในวิมุตติยา น, นัทสนะปฏิบัติกายสุจริตรวจีสุจริตปฏิบัติอยู่ในมโนสุจริตนไะปฏิบัติตรงคำว่าตรงก็คือไม่มีคดไม่มีโกงไม่มีเขาบอกว่าปฏิบัติคดเหมือนอะไรบอกเหมือนเยี่ยวโคใครเคยเห็นโคมันเยี่ยวมั้งมันเดินเยี่ยวด้วยยิ่งชัดนลยนะ มันก็ฉี่ะนะฉี่ไปี่ตบัดซ้ายตะบัดขวาพวกนี้เหมือนเหมือนคนเมาเดินอ่ะนะมันไม่ได้โคดแบบนั่นนะ่นะพระสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตรงทางกายตรงทางวาจาตรงทางจิตมันทางกายก็กายสุจริสาววจีก็เป็น ว, จ, นวจีสุจริสีมโนก็เป็นมโนสุจริสานะกุศลกรรมบทส0บก็ดีเยี่ยมเป็นต้ะนะดารงอยู่ในคุณอันเป็นสาระไม่ว่าจะเป็นสมาธิปัญญาวิมุต หรือแม้กระทั่งมรรคผลพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารรความเพีย้ยนนั่นลักษณะของสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ก็ปฏิบัติเพื่อยาเยธรรมยาเยธรรมเนี่ยนะธรรมที่นําออกจากทุกก็คืออริยมรรคกับพระนิพพา น, นท่านปฏิบัติเพื่ออริยมรรคปฏิบัติเพื่อพระนิพพานท่านเหล่านั้นเป็นสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติควรแก่การกราบการไหว้สมควรแล้ว ที่ประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะจะกราบจะไหว้จะเคารพจะยกย่องจะเชิดชูที่เรียกว่าควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสินานะไม่มีนาเป็นนาบุญที่ดีเยี่ยมในบรรดา น, นาบุญทั้งหลายไม่มีนาบุญไหนจะประเสริฐสูงสุดยิ่ยงกว่านี้อีกแล้วเพราะความปฏิบัติดีของท่านเหล่านั้นทีนี้พระสงฆ์เหล่านั้นก็ปฏิบัติอยู่ในจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีล ก็พวกนี้ก็อยู่ในพรหมชาลสูตรนะไปดูเอาพรหมชารสูตรจุลศิล์มาชิมศิลมหาศิลนเนี่ยธรรมดากุลบุตรทั้งหลายฟังธรรมกถาของพระศ า, ศาสดาแล้วออกบวชอย่างนี้พวกที่ออกบวชเนี่ยนะละสเสวตฉัตเนี่ยสมัยพุทธกาลนี่ออกบวชหลายหมื่นนะที่เป็นละบ้านเมืองออกบวชเลยเนี่ยหลายหมื่นละอุปราชเนี่ยนะคือก็ว่าที่พระราชานะีพวกนี้กรองครองราชอยู่แล้วก็ออกบวชก็เยอะมาก พวกตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นเนี่ยก็ออกบวชมากนะแล้วก็บวชแล้วก็บำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติว่าท่านเหล่านั้นสำรวมในทวารหมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปมาันไหลเข้ามามีสติสัมปชัญญะในฐานะเจประการใช่ไหมไม่ว่าจะ ก, การไปการมาแลเหลียวคู่เหยียดเป็นต้นเนี่ยนะมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะญญ4ประการในฐานะเจดนะท่านเหล่านั้นยินดีใน การเจริญสันโดษด้วยปัจจัย4เนี่ยนะยินดีนตามมีตามได้ยินดีตามกำลังยินดีตามสมควรท่านเหล่านั้นละนิวรด้วยฌานเป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยบริกรรมอยู่ในกสินเจริญอภิน ญ, ญาดำรงมั่นอยู่ในกรรมฐาน38ประการท่านเหล่านั้นปฏิบัติจนถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยนะโสดาปฏิมาคเนี่ยกำจัดพิถาสาวะออกไปน กำจัดทิฏฐาสาวะอนาคามีมกักกำจัดกามาสาวะอรหัตมักกำจัดภวาสาวะและอวิชชาสาวะยังไงท่านเหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติจนถึงกำจัดอาสาวะแล้วก็แสดงอาณาปานาสติกรรมฐานอาณาปานาสติกรรมฐาน16ประการหรือว่าสจตุกะนเนี่ยนะก็เป็นกาย4เวทนา4ีจิตสแล้วก็ธรรมะอีก4ประการ4ีคูณสก็16ประการ โดยพิสดารเนี่ยนะอาณาปานาสติที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงญ่ก็อย่างไรอ่ะนะจึงจะอาณาเจริญอาณาปานาสติอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอนิสงมากภิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญกบโดวาลุคโมลคโตวาสุญญาคโตวานะไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่งคูบาลังตั้งกายตรงํารงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ย มหาใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเป็นต้นเนะีะตอนพูดอย่างนี้ไม่ยากกันนะไปนั่งดูเหอะยาวเข้ายาวออกเสร็จแล้วก็เออเนี่ยนะพรุ่งนี้เราจะทําอะไรเนาะไปเรื่อยแล้วก็นี่แล้วก็โทรศัพท์กรี๊งมาแล้วก็ไม่ต้องอะไรกันแล้วเนี่ะเห็นไหมหรือ <c oughs> บางทีก็โหหลับสนิทเลยอนี่ยนะห <c oughs> ายใจเขา้าเห็นไหมกาหนดได้ไม่กี่ลมอ่ะนะสนิทเลยเนะ ก็สมัยนี้เขาเจริญเป็นยา ก, กล่อมประสาทเนี่ยนะเจริญอานาปานสติเอาไว้กล่อมจะได้หลับดีๆเนี่ยนะจะได้ไม่ฟุ้งฟฝานก็ดีกว่าอย่างอื่นนะแต่ถ้าเทียบไปก็ดีกว่าอย่างอื่นละมันพร ะ, ะพระสงฆ์สาวกทั้งหลายนี่ก็นำรงอยู่ในอานาปานสติแต่ใครต้องการรายละเอียดนะไปดูปฏิสัมพิธามัามากเล่มเริ่มเลยอานาปานสติเนี่ยลมเข้าลมออกเฉยๆเนี่ยไม่ได้เรื่องธรรมดานะเรื่องใหญ่มาก ธรรมะที่ธรรมากลัวที่สุดในเรื่องอะไรเนะียอานาปานสติปฏิสัมปิธามักอ่านแล้วเข้าใจยากมากเนนะี่ยนใครอ่านแล้วเข้าใจดีๆมาเล่าให้ฟังบ้างได้ยังไงเรจะให้ถามทุกบททุกบทไปเนี่ยนะนะอยากจะถามจริงๆเลยนะอ่านยากที่สุดเลยนะปิดอกสามนี่ยอานาปานสติยากกว่าเพื่อนเนี่ยนะนะเพราะว่าหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกเข้ายาวออกยาวเป็นพระอรหรนะันต์น่ะมันจะง่ายได้ยังไงเนี่ยนะนะ แล้วก็ปฏิสัมพิทาสี่อย่างเงี้ยโอ้หายใจเข้าออกไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะแต่ถามว่าถ้าง่ายๆนะแล้วใครขณะไหนบ้างไม่หายใจนะชีวิตทั้งชีวิตมันก็หายใจตลอดอยู่แล้วล่ะทีนี้มันหายใจแบบไหนอะไรมีอะไรเป็นสมุทฐานะนะเพราะว่าตัวหายใจเข้าออกมีจิตเป็นสมุทฐานดะ้ยจิตที่ทําหายใจนี่มันจิตชนิดใดบ้างละ่นะนะเพราะว่าระงับลมหายใจจริงๆเนี่ยฌานที่สี่ แต่บางคนหากคนคิดหาลมหาไม่เจอนึกว่าตัวเองได้ชามสี่ น, นั่นไม่ใช่นะบางคนเนี่ยกำหนดไปแล้วลมหาลมไม่เจอใช่ไหมเออนี่แหละฌามสี่แล้วเว้ยอนนันไม่ใช่สักอย่างอันนั้นหลงลืมสติกำลังกันทีนี้สรุปว่าพระสง์สาพวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ได้ทรงสอนทั้งหมดเนี่ยนะ ท่านเหล่านั้นก็คือเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิ ย, ยุคานิโฮนติเตทักขินายาสุขตาสาสาวกาเอเตสุตินนานิมหภลานิธรรมปิสังเครัตนังนี่นะบุคคลเหล่าใด8ปดแจำพวกนะโสดาปฏิมากเป็นต้นสคู่นะคู่แห่งพระโสดาบานันคู่แห่งพระสกาทาคามีเป็นต้นนี่นะอันสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยควรแก่ทักษิณาทาน แปล ง, ง่ายๆว่าทักษิณาทานเนี่ยแปล ง, ง่ายๆว่าไงแปลว่าสมควรทําบุญอุทิศให้ผีได้นะเนี่ยผีเขาจะได้ไม่อะไรนะคือเขาเต็มใจรับอ่ะนะเขาเต็มใจอนุมโมทนาอ่ะนะเพราะว่าผีเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเข้ารู้ความประพฤติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีใช่ไหมมนุษย์ดีแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยพัน้าทําบุญกับสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยผีเขาอนุมโมทนาลง หากว่าไปทําบุญกับคนที่ไม่ใช่บุคคลที่ปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัยเป็นต้นเนี่ยเข้าอนุมโมทนาไม่ลงเราก็เลยมีในเปรตวัตถุอยู่เรื่องหนึ่งที่บอกว่าพวกศรีรษะโลนปลนเอาไปหมดแล้วว่าอังคําว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าควรแก่ทักษิณาก็คือเข้าอนุมโมทนาได้ท่านเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคตสุคต ส, สุขโตใช่ไหมไปดีแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าไปดีแล้วไปไหน ไปนิพานนนนพานอยู่ตรงไหนเนาะตกลงนิพพานอยู่ตรงไหนจะไปโดยขีนาง <c oughs> ปุรานังนาวังนัทิสัมภวังเลยนะ <c oughs> คือคำว่าไปดีเนี่ยก็คือไปสู่อาสังคาตธาตุนเนี่ยนะของเราก็จะเอาแต่ตัวเราเนี่ยแหละเข้าไปเนะมัน <c oughs> ห่วงอัตตามากเอาอัตตาของเราไปเที่ยวที่นั่นอีกจรียงก็นิพพานก็คืออาสังคาตธาตุไปดีแล้วก็ไปด้วยอริยมรรคเนี่ยนะ ไปแบบมัชิมาปฏิปทานไม่ได้ไปแบบการมสุคาลิกานุโยกไม่ได้ไปแบบอัตตกิลมฐานุโยกนันทานที่บุคคลให้ในบุคคลเหล่านั้นคือในคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเหล่านี้เนี่ยเป็นทานที่มีผลมากเมียนิสงมากสังครัตนาแม่นี้ก็เป็นรัตนาอัานประนีต ด, ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมี แล้วก็ชีช้นำชัดเจนอีกว่าศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตรัสไว้ดีแล้วเป็นศาสนานำสัตว์ออกจากทุกขปัจฉิมมะลิขิตใช่ไหมบอกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัส ด, ดีแล้วเป็นศาสนานาออกจากทุกท่าสหายของเราอาจอาจได้ไซ้ขอได้เสด็จออกผนวดเถิดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าปล อ, อถ้าบวชได้ก็ดีนะ